การฝึกทำต้องเริ่มสำรวจตัวเองก่อนท่านถามพ่อว่าท่านผู้เท่าคงพยากรณ์ไว้ว่าอย่างไรบ้างพอกระเล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดเธอลองทายดูเองสิว่าจะสอบได้เป็นขุนนางหรือเปล่าจะมีบุตรได้ไหมพอคิดหาเหตุผลอยู่นานโดยสำรวจตนเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วจีนตอบท่านว่าเห็นทีจะสอบไม่ได้และคงจะไม่มีบุตรอีกด้วย พอให้เหตุผลท่านว่าคนที่จะได้เป็นขุนนางจะต้องมีบุญวาสนาส่วนพ่อนั้นบุญวาสนาน้อยตอนเองก็ไม่ได้สั่งสมกุศลกรรมอันใดไว้ให้เป็นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างบุญบารมีใดๆนิสัยของพ่อก็ไม่ดีไม่มีความอดทนงานหนักไม่เอางานเบาไม่สู้ใครทำให้ไม่ถูกใจก็โกรธไม่ยอมให้อภัยใจขอขับแคบ บางครั้งยังอวดดีว่ามีความรู้มากมายยกตนข่มท่านใจคิดอย่างไรก็จะทำอย่างนั้นคนเช่นพ่อนี้ไม่สมควรจะเข้าสอบเพื่อเป็นคุนนั่งกับเขาเลยแล้วพ่อกรสาพยายให้ท่านฟังถึงเหตุผลที่คิดว่าตนเองไม่สมควรมีบุตรจริงดังคาพยากรณ์ของท่านผู้เท่าคงให้ท่านวินกุเถระฟังต่อไปว่าอันธรรมดานิสัยของพ่อนั้นชอบความสะอาดมากเกินไปไม่เป็นไปตามทางแห่งมัชฌิมาปฏิปทา โบราณท่านว่าไว้ว่ า, วาอันพื้นดินนั้นยิ่งไม่สะอาดเพียงใดก็ย่อมเจริญด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดน้ำที่ใสสะอาดมักจะไม่มีปลามาแวกว่ายฉันใดพ่อนั้นชอบความสะอาดมากเกินไปจึงย่อมไม่มีบุตรฉันนั้นนี่เป็นเหตุผลประการที่หนึ่งธรรมชาติสร้างสรรค์สรรพสิ่งให้สมดุลเพื่อให้ชีวิตเจริญเติบโตโ ด, ด้วยดีแต่พ่อมักโกรธทาให้ร่างกายและจิตใจเสียดุลอยู่เป็นนิด ย่อมไม่สามารถมีบุตรได้นี่เป็นเหตุผลประการที่สองความเมตตาเท่านั้นที่ค้มจุนโลกไว้แต่พ่อนั้นจิตใจขาดความกรุณาปารานีไม่ยอมลดตนลงช่วยผู้อื่นเต็มไปด้วยอสมิมาณะถือเขาถือเราถือดีไม่ยอมลงใครชะไหนจักมีบุตรได้เรานี่คือเหตุผลประการที่สาการพูดมากทำให้สูญเสียพลังพ่ออดพูดมากไม่ได้ ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงนี่คือเหตุผลประการที่4ชีวิตอยู่ได้ด้วยพลังลมปราณและการแสดงออกของจิตคือความมีชีวิตชีวารวมเรียกว่าชีวิตเต็งสี่อันเกิดจากธาตุทั้ง5คือธาตุดินธาตุทองธาตุน้ำธาตุไม้และธาตุไฟส่วนธาตุลมนั้นไม่นับเป็นธาตุที่6เพราะเป็นธาตุที่ทาให้เกิดช่องว่างในรูปธรรมจึงแฝงอยู่ในทุกๆธาตุ มากบ้างน้อยบ้างตามเหตุปัจจัยของภาวะแวดล้อมร่วมกันทำงานให้ชีวิตดำเนินไปธาตุเหล่านี้ขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไม่ได้ต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันก่อให้เกิดพลังรมปรานและความมีชีวิตชีวาให้แก่มนุษย์คอยประดุงชีวิตไว้ให้ดำรงอยู่พ่อดื่มเหล้ามากเผาผลาญร่างกายตนเองอยู่เสมอทาให้ปัจจัยทั้งสข้อนี้ลดน้อยถอยลงจะมีบุตรได้อย่างไร แม้จะมีได้บุตรก็จะไม่แข็งแรงและอายุก็คงไม่ยืนนี่คือเหตุผลประการที่ห้าในยามกลางวันคนเราไม่กวนนอนในยามกลางคืนก็กวนนอนพักผ่อนให้สบายแต่พ่อไม่ชอบนอนกลางคืนชอบนั่งเข้าที่เป็นสมาธิอยู่ตลอดคืนได้เสมอฉะไหนจักมีบุตรได้เล่านี่เป็นเหตุผลประการที่หกที่ทำให้พ่อคิดว่า ชาตินี้พ่อจะมีบุตรไม่ได้สมจริงดังคำทำนายนอกจากนี้แล้วก็ยังมีสิ่งที่พ่อทำผิดๆไว้อีกมากมายแม้จะพูดก็คงจะไม่รู้จักหมดเป็นแน่ท่านวินกุเทระฟังพ่อพูดเสยืดยาวแล้วจึงกล่าวว่าไม่เพียงแต่พ่อไม่สมควรจะเข้าสอบเป็นคุนนางเท่านั้นยังมีอีกหลายๆสิ่งที่พ่อก็ไม่สมควรจะได้รับด้วยคนในโลกนี้ แม้จะอยู่ในภาวะแวดล้อมเดียวกันในเวลาที่ไม่ต่าง ก, กันแต่บางคนได้รับแต่สิ่งดีมีสุขบางคนกลับได้รับแต่ความเดือดร้อนเป็นทุกข์มีความแตกต่างกันมากมายผู้รู้ย่อมเข้าใจดีว่านั่นล้วนเป็นผลที่เกิดจากใจของตนเองทุกคนสร้างเหตุที่จะทำให้เกิดผลดีผลชั่วจากใจตนเองทั้งสิน้นผู้ไม่รู้ย่อมถือว่าเป็นชะตาชีวิต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 ทรมานกักขังสัตว์ให้อดอยากและอดตายมาแล้วผลจึงเกิดก่เขาเช่นนั้นหาใช่ฟ้าดินเกิดความลำเอียงไหมฟ้าดินก็คือธรรมชาติย่อมปราณีคนดีลงโทษคนชั่วเหมือนดังที่ปราณีต่อพืชพันธัญญาหารคอยหลั่งฝนมาให้ความชุ่มชื้นคอยส่งความสว่างมาให้ความเจริญเติบโตละธรรมชาติก็จะดุ ด, ดันกับความไร้คุณธรรมขนามทั้งฝนพายุ สายฟ้ามนุษย์ต้องตายไปท่ามกลางความดุดันของธรรมชาติก็มีไม่น้อยทั้งนี้ย่อมขึ้นกับความดีความชั่วนในตัวบุคคลใครดีก็จะได้รับการส่งเสริมใครเลวก็ลงโทษสิบ้างเพื่อให้เกิดความสมดุลกันมีความเชื่อกันมาแต่โบราณการว่าการจะมีบุตรหรือไม่นั้นก็ขึ้นกับเหตุผลเดียวกันผู้ที่ทําความดีติดต่อกันมาแล้วร้อยชาติ ก็ย่อมมีบุตรหลานที่ดีสามารถสืบสกุลให้ยืนยาวได้ถึงร้อยชั่วคนผู้ที่ทำดีมาสิบชาติติดต่อกันก็ย่อมมีบุตรหลานที่ดีสามารถสืบสกุลให้ยืนยาวได้ถึงสิบชั่วคนผู้ที่ทำดีติดต่อกันเพียงสองสามชาติก็ย่อมมีบุตรหลานสืบต่อไปสองสามชั่วคนเท่านั้นผู้ที่ไม่มีบุตรเลยก็จะเห็นได้ว่าไม่เคยสังสมคุณธรรมความดีที่เป็นชิ้นเป็นอันมาบ้างเลย นอกจากบางคนเท่านั้นที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วคือเป็นผู้ไม่มีหนี้กรรมกับผู้ใดมาธรรมชาติแห่งการมีบุตรธิดาถ้ามองตามทัศนะของกฎแห่งกรรมแล้วก็คือการเปิดหน้าบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้ขึ้นมาสัสารกันอีกวาระหนึ่งบุตรธิดาบางคนเกิดมาทวงหนี้กระทาตัวดื้อรั้นอวดดีก่อความเดือดร้อนวุ่นวายเสียหาย จนบิดามารดาไม่มีความสุขตลอดเวลาส่วนบุตริดาที่เกิดมาใช้หนี้บุญคุณที่ติดค้างกันอยู่ในพบก่อนก่อนก็มีความกตัญญูกตเวทีว่านอนสอนง่ายเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจของบิดามารดานำความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจมาให้บิดามารดามีความสุขความอิ่มใจอยู่เสมอกุณสกรรมและอคติสกรรมในอดีต ล้วนเป็นเหตุปัจจัยให้ชีวิตต้องเวียนว่ายมาพบกันอีกตามแรงเหวี่ยงของวิบากกรรมมาเป็นพ่อแม่ลูกกันตามกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละคนได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กันมาแต่อดีตผู้ใดไม่ได้ก่อหนี้กรรมไว้กับใครเลยก็ย่อมไม่มีผู้ใดตามมาทวงหนี้หรือมาใช้หนี้ก็ทําให้ไม่มีบุตรที่ดานในชาติปัจจุบันซึ่งในกรณีเช่นนี้ถือว่าน้อยมากท่านเดียวฝานจึงไม่ได้กล่าวไว้